ถวายดอกบัวทำให้ผิวสวยจริงไหมถามถวายดอกบัวแด่พระภิกษุสงฆ์จะช่วยเรื่องผิวพรรณจริงหรือไม่ตอบจริงครับแถมอาจเป็นความงามชวนตะลึงผิดธรรมดาเสียด้วยอย่างไรก็ตาม บุญที่ตกแต่งผิวให้งามและตะลึงได้การนี้ต้องสร้างจากความปลื้มปีติสมนัตเป็นตัวชูโรงคือขณะน้อมถวายดอกบัวนั้นจิตต้องหน่วงบุญไว้หนักแน่นมีความตั้งมั่นมีความสุขสว่างมีความเบากายสบายใจอิ่มเอมเปรมปรีกับการถวายด้วยปราศจากมนทินทางใจใดๆความเรียนงามของกลีบบัวที่ตาเห็น รวมทั้งกลิ่นดอกบัวที่จมูกได้กลิ่นมักเหนี่ยวนำให้จิตผู้หญิงนึกปรารถนาถึงการมีผิวพรรณงามละเอียดพอไปบวกกับการมีใจยินดีคิดว่าเราจะเอาของหอมของงามนี้ถวายเป็นบูชาแด่ภิกษุผู้สูงส่งที่วัดหรือแด่พระปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนิมิตของกรรมที่เกิดขึ้นให้รับรู้ทางใจในขณะนั้นยอมชัดเจน เสมือนผิวกายโดยรอบกลายเป็นดอกบัวแสนหอมแสนงามขึ้นมาชั่วขณะนิมิตกรรมเกิดขึ้นก่อนในใจเรารูปจริงๆค่อยตามมาทีหลังซึ่งอาจหมายถึงความเปลี่ยนแปลงที่เห็นทันตาชาตินี้ในกรณีที่ไม่มีกรรมเก่ามาต้านมากนักแต่โดยมากบุญอันเกิดจากการอาศัยเครื่องเหนี่ยวนำจิตทำนองนี้ จะให้ผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเกิดใหม่แล้วพูดให้ง่ายคือบุญที่ตกแต่งผิวให้งามนั้นทั้งจิตและเจตนาต้องสอดคล้องกันกับทั้งทมบ่อยจนขึ้นใจไปทั้งชีวิตกระทั่งนิมิตกรรมแข็งแรงตั้งมั่นเป็นส่วนประกอบตกแต่งอัตภาพใหม่อย่างชัดเจนคุณหนูอารมณ์ร้ายหลายคน ก็เข้าแก่นนี้หละครับผู้หญิงที่อดีตชาติทำบุญอันเจืออยู่ด้วยความโลภในรูปงามชาติถัดมาที่ความปรารถนาสำฤทธิ์ผลบุญเพลิดผลดังใจก็จะมีความทนงหลงรูปงามแห่งตนยิ่งยวดกับทั้งยึดมั่นถือมั่นรุนแรงว่าโฉมแห่งตนเป็นเลิศกว่าใครเพียงอวดรูปสมบัติก็เพียงพอจะชนะใจทุกคนได้แล้ว ความเย่อหยิ่งจึงตามมาความเอาแต่ใจจึงตามมาความฉุนเฉียวง่ายจึงตามมาและชวนให้คนมองไม่อยากนึกว่าผิวงามกับเมตตาจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยมากถ้ามักโกรธฉุนเฉียวง่ายเมื่อหมดบุญอันเกิดแต่การถวายดอกบัวหญิงเจ้าของผิวงามเหล่านี้มักเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว หากกรรมอันเจือด้วยความโกรธง่ายไม่เร่าร้อนขนาดส่งถึงนรกก็พอจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งก็กลายเป็นหญิงผิวพันซามกระดํากระด่างหยาบกร้านไม่ชวนทัศนาไม่เหลือเขาไม่เหลือร่องรอยเดิมเป็นเลยครับ